ลักขณะสังยุตประมวลเรื่องพระภิกษุชื่อลักขณะท่านผู้เดินทางไกลไปกับพระมหาโมคลานะผู้ได้เห็นสิ่งแปลกๆต่างๆแต่พระลักขณะไม่เห็นพระมหาโมคลานะจึงชวนท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเล่าถวายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบชี้แจงเหตุผลอัถิสูตร ว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชกฤษสมัยนั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคคลานะพักอยู่บนภูเขาคิดสกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะเข้าไปหาท่านพระลักษณะถึงที่อยู่แล้วกล่าวชวนไปบินทบาตในกรุงราชกฤษด้วยกัน ขณะที่ท่านพระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิตสกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการยิ้มท่านพระลักณะาถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการย้ยิ้มนั้นท่านพระมหาโมคลานะตอบว่าเวลานี้ยังไม่สมควรเมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถามปัญหานี้เถิด ภายหลังกลับจากบินทบาทฉันพัฒหารเสร็จแล้วจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้ถามพระโมคคัลลานะถึงการยิ้มนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านผู้มีอายุเมื่อกลับผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอัฐิสังขลิกรเปรคือเปรตมีแต่โครงกระดูกลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรงนกกานกเหยี่ยว พากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงยื้อแย่งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างสิโครงสบัดไปมาจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าอัศจรรย์จริงที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุมีญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็ได้เห็นอธิสังคลิกเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเป็นเปรตเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลืออยู่โดยในยะเดียวกันกับระสูตรแรกเพียงแต่เปรตที่เห็นนั้นเป็นมังสะเปสิเปรต เปรมีแต่ร่างชิ้นเนื้อซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชคฤห์ท่านพระโมคคัลลานะได้เห็นมังสะปินทเปรตคือเปรตร่างก้อนเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่านกในกรุงราชคฤห์พระมหาโมโหคลานะได้เห็นนิชวิเปรต เปรร่างไม่มีผิวหนังเพศ ช, ชายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชครึกท่านพระมหาโมกัลลานะได้เห็นอสิโลมะเปรตเปรตร่างมีกนเป็นดาบเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่อากาศขนคือดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเอง จนมันร้องครวญครางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าหมูในกรุงราชครึกท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นสติโลมาเปรตเปรตมีขนเป็นหอกเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่อากาศขนคือหอกเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นปลาล่าเนื้อในกรุงราชคครฤตท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นอุสุโลมะเปรตเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นเพชชัาวในกรุงราชคครฤตท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นสุจิโลมะเปรต เรตร่างมีกลนเป็นเข็มเพศชายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นนายสารถีในกรุงราชฤกษ์ท่านพระมหามกขลานะได้เห็นสูจิเปรตเปรตร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเข็มเหล่านั้นแทงเข้าไปในศีรษะของมันทะลุกออกทางปาก แทงเข้าไปในปากทะลุออกทางอกแทงเข้าไปในอกทะลุออกทางท้องแทงเข้าไปในท้องทะลุออกทางขาอ่อนทั้งสองแทงเข้าไปในขาอ่อนทะลุออกทางแข้งทั้งสองแทงเข้าไปในแข้งทะลุออกทางเท้าทั้งสองจนมันร้องกรุนกลางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรดนั้น เคยเป็นคนพูดส่อเสียดในกรุงราชคฤห์ท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นกลุมมะพันธะเปรดเปรตที่มีอันทะโตเท่าหม้อเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินไปก็ยกอันทะเหล่านั้นขึ้นพาดไว้บนบาเมื่อนั่งก็นั่งทับอันทะเหล่านั้น ฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักควายจิกถึงยื้อแยนเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องกรวนกลางพระผู้มิพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านในกรุงราชครึกท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นเปรตจงหลุมคู่จนท่วมศีรษะเพศ ช, ชาย พระผู้มีพระภาตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นชู้กับพันยาของผู้อื่นครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมกัลานะได้เห็นเปรตผู้จมหลุมคูดท่วมศีรษะกำลังใช้มือทั้งสองกอบคูดกินเพศ ช, ชายพระผู้มีพระภาตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นพรามในกรุงราชครึอ พรามนั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฉันพัตหารแล้วเทคูดคืออุจรักลงใส่รางจนเต็มสั่งให้คนบอกเวลาอาหารว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการเถิดครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมกขลานะได้เห็นนิชวิเปรตเพศหญิง ลอยขึ้นสู่อากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาร้องครวนครางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตหญิงตนนั้นเคยประพฤตินอกใจสามีครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นมังคุลิเปรตกลิ่นเหม็นเพศหญิง พระผู้มีพระภาตรัสว่าเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นแม่มดในกรุงราชคฤห์ครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นโอกิลีนิเปรตเพศหญิงถูกทานเพลิงเผารอบตัวจนสุกเยิม้มหยาดน้ำไหลหยดลงลอยขึ้นสู่กลางอากาศจนร้องครวญครางพระผู้มีพระภาตรัสว่า เปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นพระอครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะนางขี้หึงเอากระทะมีทานไฟคล อ, อกหญิงร่วมสามีครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นอสศิส ก, กะพันทเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยว พากันโฉบอยู่ควักไควจิกถึงยื้แยงเปรตนั้นสะบัดไปมาร้องครวญกลางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นเพชชฆาตฆ่าโจรชื่อหาริกกักท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นภิกษุเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขติบาทประคฏเอวแล้วร่างกายนั้น ถูกไปติดลูกโชนจนร้องครวญครางพระผู้มีพระภาตรัสว่าเปรตตนนั้นเคยเป็นภิกษุชั่วในพระาศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งท่านพระมหามกขลานะได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคติของมันถูกไปติดลูกโชน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตตนนั้นเคยเป็นภิกษุณีชั่วครั้งหนึ่งได้เห็นสิกขามานาเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคติของมันถูกไฟติดลูกโชนร้องกรวนครางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรตตนนั้นเคยเป็นสิกขามานาชั่วครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะ ได้เห็นสามเณรเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคติของมันถูกไฟติดลุกโชนจนร้องครวนครางตรัสว่าเปรตนนั้นเคยเป็นสามเณรชั่วอีกครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคลานาได้เห็นสามเณรีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคติบาทประคฏเอวและร่างกายของเปรตนั้น ถูกไฟติดลูกโชนจนร้องครวญครางพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุมียานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นเปรตเหล่านั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราพระผู้มิพระภาคตรัสถึงเปรตแต่ละตนนั้นว่าเคยทำบาปทำชั่วอะไรมาลักเราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายปีหลายร้อยหลายพันหลายแสนปีต่อมาจึงได้รับอัตภาพเปรตเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลืออยู่ ราหุลัสสั่งยุติประมวลเรื่องพระราหุลเกี่ยวด้วยการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเรื่องต่างต่างแก่พระราหุลว่าด้วยจักสุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอประทานพระวโรกาส ขอโปรดแสดงธรรมะโดยย่อซึ่งได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถามทีละข้อว่าสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเริ่มจากคำถามว่าจากขูกคือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนคือใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรพันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตอบว่าข้อนั้นไม่กวนเลยราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่นจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม่นายโสตย่อมเบื่อหน่ายแมใ น, มนาคานะ ยอมเบื่อนายแม้นชจิวหาในกายในมโนเมื่อเบื่อหนยยอมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตยอมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป และโดยในยะเดียวกันตรัสถามที่ละข้อถึงเรื่องรูเสียงกลิ่นรสพุทธภพและธรรมารมจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณขานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณจักขูสัมผัสจนถึงมโนสัมผัสจักขูสัมผัสสชาเวทนา จนถึงมโนสัมผัสสชาเวทนารูปสัญญาสัทธาสัญญากันธะสัญญาประสัสัญญาโพธพัสสัญญาและธรรมสัญญาตรัสถามถึงรูปสัญเจตนาจนถึงมโนสัญเจตนาตรัสถามในหมวดตันหาตั้งแต่รูปตันหาจนถึงธรรมตันหาตรัสถามในเรื่องธาต คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุทรงถามถึงเรื่องของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดแต่ละข้อนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์